พระธรรมเตศนามหาจารยเวสสันดนจรจาดกตูติญาณมาเลยหรือมาเลยป่ายตรวจจำราโดยป่ออินสมใจชมพูปรเรียนธรำฮกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต วสัมมาสัมพุทธัสสะตาตาริญญาเมตไโยโพธิสัตติ สาธวดุราส ป, ปุริจตั้งหลายในเมื่อเทวบทตนมีปริวานได้เสหนดึงดังอยู่แน้วดังอัน ยามนั่นอันว่าพระอริยเมตตาโพี่สัตว์เจ้าก็อเสด็จเข้ามาด้วยรัศมีรังสีอันรุ่งเรืองไร้ใสงามมักนักยิ่งกว่าพระอาทิตย์ใดปันดวง มีโมนางฟ้าและเทวาบุตร่มตั้งหลใดแสนโกดเป็นปาริวานก็ถือเอาอยัางเครื่องปูจาคือกันทามาลาดอกไม้เพื่อจักมาไวพระธาตุจุลมามณีกันว่ามารถแล้กกอสักการะปูจายยังพระมหาธาตุเจ้า แล้วก็เข้าไปนั่งอยู่หนวันออกแข่งพระเกตแก้วจุฬามณีก็มีหันและน้าพระมหาเถระเจ้าเตปามาไลาหันแล้วก็ทำเสงเตาต้นแก้วอินตาวาเตวาบุตรนีนาแม่นเป็นอริยะเมตไตรเจ้าจรือ คุณอินตาตาันต่อว่าแม่นเป็นหนอส ป, ปัญญูเข้ามาจูตีไกเพืือจักไว้ปุจญังจุลามณีมะหาธาตามโอกาสเติ่งตันและนอาพระมหาเถรเจ้าเตป้ามาไลายก็จะใครทำข่ า, าวสึ่งตันเต้าอินตาว่าเตวากัญญาลายลากเตวบุตรมากเนื้อลาย อันญาตย้ายเป็นตามาก่อนนาหนองโพธิญาณมีอลังการสะอาดวันนาจตาิเปิ่งเป้าเตียนย่อมเข่าจูผูป้ปูนใครรู้ปังลังวานาบุญสังนั้นเหล่าติดไตเติต้ตัวมา คุณอินตาต้นกล่าวว่าเมื่ออยู่ดาวปัทภีรักษาสินดีแปดท่าหื้เสื้อผ้าเป็นตานตั้งอาลังการเครื่องใจย่อมเลือกใส่ของเขา ดูเปลงเปล่าสะอาดจริงพระศาสเตตานบุญบันดาลทรงตุ้มป้นจากลุมเหมืองคนใดเกิดบนจันฝ้ามาก่อนนาโปที่ญาตมีอลังการสะอาดวัฒนจัดข่าวงามและนา พระมหาเถระเจ้าข้าดิ้งเหล่าสงสัยซ้ำจะใครทเข่าวซึ่งตันเต้าอินตาวาเตวะกัญญาลายลาเตวะบุตรมากนำนา มากำขวาตีไกแห่งเจ้าบุญใหญ่หน่อปู้ตียานมีอลังการสะอาดวันนาจัดไรเรื่องเตียนย่อมเลื่งจูฟผู้ปูนใครรู้ฟังลังวานาบุญสั่งนั่นใส่สะยองไข่ตัวตันขุนสะวันตานกก่า ว, ว่าเมื่ออยู่ดาวปฐะะพีรักษาสินดีแปดทาหฮือเสื้อผ้าเป็นตาน ตั้งปาริวานเครื่องใจย่อมเลือกไส่ของเหลืองดูรุงเรืองผ่องแผวยกยืนแล้วตันไปกันดับใจก้อยกาดพ้นจากจัดเป็นคนได้เอาตนมาเกิดในจันฝ้าเลิตัวสิดามาคำขวานตีไกแห่งเจ้าบุญใหญ่หนอโพธิญาณบัดนี้และนา พระมหาเถรเจ้าสำขรเล่าวัตีวาเทวดามีหลายหลากเทวบุตรมากเดือนลายอันญาตยายย่างย่ายมากำสายนอปุท ธ, ธามีผู้ส่เสื้อผ้างามใจจ้าเปิ่งแป้งเตียนย่อมแดงจุผู้ปุ่นใครรู้ปังลังวานาบุญสังนั่นเหล่าติดไ ต, ต่เต้าตวยมา คุณอินตาต้านกล่าวว่าเมื่ออยู่ดาวปฐพีรักษาสินดีแปดหาหฮือเสื้อผ้าเป็นตานตั้งปาริวานเรื่องใจย่อมเลือกสาของแดงอันเปิ่งแปลงระคขอดยกยื่นตอดเตตานบุญบรรดาลมาเกิดในจันฝ้าเลิศตุศิดา มีผ so ู้สาเ่องใจแดงเสียงไข่ดูงามได้มาตามอย่างย่ายมากำสายนอพุทธาบัดนี้แหละนาพระมหาเถระเจ้าซ้ำไครเล่าวาตีวเตวาดาบีลายหลากเตวบุตรมากนำนาอันต้วมาเป็นหมูแหนแหยู่ไปหลังแห่งนอพุททั้งตีไว มีเกรื่องใจหน้าเขียวงามตาจูผู้ปูนใครรู้ปังลังวานาบุญสังนันใสสะยองไตตัวตั้นขุนสะวันต้านล่าหื้อรู้ข่าวตามมี ว่าโยปัตะพีโลกไตรักษาสินไว้ดิงอามสัตธาตามบ่ย่อนเฮอพาผ่อนเป็นตานตั้งปาริวานเรื่องใจย่อมเลือกใสของเขียวบ่กึดเนียวทานีมีใจกี่ตานไฟกันดับใจกอยกาดปุ่นจากจัดเป็นคนก่อเอาตอนมาเกิดในจันฟ่าเลตุสิดา มีวัฒนาเรื่องใจเขียวเสียงไข่ดูงามดังนี้และนากันคุณอินตากก่าวแล้วเจ้าตนแก้วเต็ปป้ามาไลก็ถามไปแถมเล่าว่านอพระเจ้าโปธิญานมีสมปานแต่ไทยสร้างก่อไว้สันได้ขอจะใครบอกก่าวหฮือรู้ ข, าข่าวขีญาคุณอินตาตอบเล่าว่าข้าแด่เจ้าเจีเจยงจี อุปมามีเป่งป้อยว่าข้าตายน้อยสามารถมีใจห่านใครรู้แล่นไปสู่กงกาเอายังขาอันสันลงอย่างดันหวังใสจักอย่างไปรอดหองถึงปืนต้องนาตีบ่อร้อนจักมีอย่างใดแถมพักการหนึ่งใส่อุปมา ดังจ้างตาตัวยังดังจ้างตัวตาบอด อ, ออกลาสอดดองตันบ่ออาทพันขึ้นรอดถึงจิกหนอดน้อยผาอุปมาแต่ไทยจะเพียบไว้สันใด <c oughs> โอป้าไหมดังคาอันเป็นเจ้าฟ้าคงสวันจักาไข่ปันเ่าวอ้างยังนาบุญกว้างนำนาแห่งนอพุทธตีไว เสียงไข่หรือเม่าแด่เจ้าเจียงจีบุญใหญ่อันว่าหนอพระทิไวอริญะเมตไตรตนจักลงไฟบังเกิดเป็นพระตนพาเสดปลายลูนได้ก้าต้บุญลายลากปารมีมากนำนาปั้มเป็นมาเหมือนแก่นับอ่านแต่สิบหกอสงไขยนังปลายไปแสนโกดเหมือนแต่สดดีลี บารมีน้อยใหญ่บัวระมวลไข่จูภ ก, การมหาตานหาสิ่งบัวระมวลหญิงจูอันอันได้ยื่นยกปั่นเสือ <c oughs> ้อผ้าตังจาัางมางัวควายเงินค้ำลายบาไวจ้จกยกใดตันไปลูกเตี้ยมใจระขอดสาละต่อเตตานเมียเจียงขันจิ้นจ้อยสละปล่อยตันไป สัตธาใส่ไฟเอือสละเลือดเนื้อกาญญาตั้งหูตาตับปอดสละตอเตตามีใจบ้านผ่องแผวสละชีวิตแล้วตันไปป้ออาจไค่เกาอ้างป่าร ม, มีกว้างนำนาแห่งนอปุธาบุญใหญ่เฮือเสียงไข่าตามมีค่าแด่เจ้าเจียงจีจืจ่อยจบัดนี่พระนอพร ะ, อพระยอดซอยมูนี มีป่ารามีแก่แล้วท่านนั่งแตนแก้วทัดพระญาและนากันคุณอินตาที่ราดเก่าเสียงขาดสุดกรมอันว่าหนอคุณทมตนองอาจคือเจ้าจอมราชอริญเมตไต ก็อซะเดดไปบ่จ้านั่งส่งนากองตาแห่งพระมหาเถระเจ้านบไวเล่าจะถามบาคาแดเจ้าศีางาหลายแลเจ้ามาแต่เด่นใดจากไปไหนมานีขอเกาจีตามีแดเตว่าอันตินั่นพระมหาเถระเจ้าก็อตันเล่าไขาจาวาดูรามาหาราตนองอาจเจียงคาน มีสมปานหลายหลากเรานี้มาจากจุมปูเพื่อมาดูน้ำใบยังพระธาตุใหญ่จุลามณีตัดยามดีมารอดได้ประยอดองค์คำบัดนี้แหละนา อันว่าอริายาเมตตาโพธิสัตว์เจ้าก็ตานเหล่าพุทชาว่ามนุษยาลุมมใจตั้งน้อยใหญ่ยิง่งใจมีดวงลายมวลหมู่มีสภาวะอยู่สันใดพ <c oughs> ระมหาเถรเจ้าก็ใไขาตานกล่าวว่าคนอยู่ดาวปัตตภีพ่องมั่งมีลายหลากพ่องตกหยากอนาถาลางพ่องปาลาบับใบ ลองพ้องไต่ตามทาคนสุขนำมีน้อยคนต่ำก้อยมีหลายจุมยิ่งใจโลกไต่พ้องรูปขี้ไล่กะลีพ้องรูปงามดีใจจ้ามีพร้อมนานาดังมีและนา กันรามหาเถ ร, ระเจ้าเตปมาไลไขกำไปบอกแล้วเจ้าตนแก้วหนอพุท ธ, ธาก็ไขจะทำเราว่าคนหนุ่มเท า, ายิงใจเข้าคนควายตั้งบาปใจก็หยาบตารุนหรือก็ตำบุญแผ่กว้าง ขอก่าวอาังไขมาพระมหาเถรเจ้าก่อตานเล่าจากใครว่าพ่องมิใจพ่องแผ้วสร้างบุญแล้วลายพระการพ่องมิใจหานหึกยับก้าตํำบาปตารุนคนใจบุญมีน้อยคนใจถอยมิลหลและนนอพุทธเป็นเจ้าซ้าทมเล่าตวยไปว่าบุญอันใดนันใส อันคนน้อยใหญ่ยิ่งใจได้องควายสร้างก่อสืบติดต่อตัวมาคนหนาหนาน้านานยใหญ่พาธานาไว้สันได้จุงจะใครบอกกาวฮือรู้ข่าวตามมีเดเตอ ที่นั่นพระมหาเทระเจ้าเตปามาไลัยก่อไขรกำไปบอกจ้าว่าคนลุมฟ้ายิงใจก็ทตำบุญไหลมากว้างตามไฟอ้างเจตนา ของสร้างมักกาต่างใ่ปลูกต้นไม้เป็นตานสร้างวิหารอาวาสสารลาบาทกูดีวัดทุบียกยืนด้วยใจจืนเจยบ้านพอ่องห้ตานเขาน้ำปัดใจพร่มของกิน ของรักสาสินเจ้าใจคนลุ่มใตยิงใจกะตำบุญหลต่างๆตามไฟอังศรัทธาต่างพาธนาคำเจ้าว่าเมือ่อมหาราชเจ้าลงไปโพดเวไนสัตโลกคือป้อนโศกเครื่องขีขอบุญมีได้ไก่ได้น้อมไบฝังธรรมคนดานำ น, น้อยใหญ่พาธนาไว้สันเดียวดังนี้และนา กันพระมหาเถระเจ้ากล่าวแล้วเจ้านอแก้วอริยเมตไตยินมิใจเจินจ้อยจริงก่าวถอยไข่กัมวะเม่นคนน่านำน้อยใหญ่พาธนาไข่จอมกัน มาไขหันตัวคาในวันนาปายลุนจุงกาตำบุญวิเศษตามกาละเขตมีมาคือฟังยังมหาเวสันตาราชาตะกะเฮดายวันหนึ่งไขสุดปลาย ด้วยเรื่องตั้งลายตามจารีตคือผติดปันดวงดอกบัวหลวงดอกป้านวางเป็นทานจังกอนพังตบสนย่าพรวางเป็นบอลเป็นกองกาสะลองหอมยิงแต่ละสิ่งพอปัน ใส่เนื้อขันตั้งไว้เตียนน้อยไตตัวจอมจ่อตุงร้อมลายหลากปันหนึ่งหากเป็นธารแล้วเร่งดาอยาพ่อนเข้าปันก่อนดีงาม <c oughs> ลำดับตามคบไขแล้วนำไวปุจาราธนาพระเทศยังมหาเวทสันดอนอันปาวนลายหลากกาธามมกถึงปั น, นคืนกับวันหนึ่งใส่ เมียนไข่าาสุดปลายกันคนตั้งหลายน้อยใหญ่กระทำใดตามทำเป็นดังกำรเรากล่าวฮือรู้ข่าวขีนยาเตี้ยงสมพาธนาไฟหอยบ่อกาดก้อยแพ่พันจักได้หันตัวข้าเมื่อวันนาไฟลุนบ่อยาจักแหลนา ส่วนคนปุ่งไดใจหยาบกาตําบาปนานนำเกืออนันตาริยกรรมหาสิ่งอันนักยิ่งเหลือนลายบ่ไม่หมายได้พาคนเสียจากอเวจีคนถือมิตรชาติทิศขีมืดบอดบ่แจงสอดกองทำคนใจดําห้าวหาดได้ผ่ามาตั้งบุญคนตารุญหยาบช้ากาตําบาปกาลวงลายคนยิ่งใจนันใส บ่ห่อนใดเติงตันบ่ อ, อาถันยังคาเมื่อวันนาไปหลุนจักและนาพระมหาเทราเจ้าก่อตันเล่าพุทธชาว่ามหาราชเจ้าตอนภาเสดจักลงไปเกิดเป็นสัพปัญยวสอนคนจุมปูโลกไต่ พ่อเสียงไข่อินพมเมื่อใดนันจานอพุทธาตอบถอยว่าพระยอดซอยโกตมามมนีตั้งสานาดีเมียดไว้ห้าปันปีไข่เป็นธาราเมื่อสานาสุดซอยคนจักถอยนานนำใจมัวดำมืดบอดบ่กิดรอตั้งบุญป้ากันดุนตั้งบาปใจหึกยาปลา บ่ตีค้าเตียงบันอนุสันปันตายคนยิ่งใจได้แลบ่หูพ่อแม่บ่งสาบ่หูญาติกาปี่น้องจักอยู่รวมห้องจอมกัน สนุกนั้นสมสูเป็นดังหมูมูมาย้ำนั้นนามาไขขนลุ่มไตหญิงใจอา ย, ยุบ่อลหยเตียงมันจักมินสันถอยลงร้อยปีป่งเป็นขานาดก้อยก้อยกอาดลงมา เก้าสิบวสาแถมเหล่าบ่อตั้งตีเก่าสันดีแปดสิบปีเป็นคันเจ็ดสิบปีลันลงมาถึงสิบวสาเป็นเขตจากเกิดอาเภษดวงไลคนยิงใจโลกไตอาญุใด้ห้าปีก่จักมีลูกน้อยเด็กอ่อนน้อยบุตรตาบ่อหยาจากแลนว ยามนั่นนามาไข่คนน้อยใหญ่หันกันตามดงตันเถื่อนทองตามเขตห้องเกะหาตามมักกาตั้งใจตามน้ำใหญ่วังใส่กอจักใส่ใจสอดรู้ว่าเป็นหมู่กวางทราย เป็นหัวควายเป็ดไก่กอจักไล่ตีกันมือก็พันเอาค้อตั้งหมูก้อนหินผาของน า, นานั่นใส่กอจักเกิดได้สับฟันเป็นมีดฟันหอกดาบเขารกผาฟันกันตกคืนวันบ่เหือดร้อนไม่เดือดมองผ่านหาที่สำราญบ่ได้ร้อนรร้ไข่ปฐพีบ่ยาจักและนา ในคดานนั้นคนยิงมใจลังพองอันกึดปองสัญญามีพ้าญารู้รอดก่อจักละตอดเฮือนตนเล่นเรรนฝังเฝ้าเข้าสู่ดาวดงไพ่หนีเสียไก่จากหมูลี่ซ่อนอยู่ดงนาตามกูหาเถื่อนทองไก่จากห้องเหมืองคนกันโกรธละหุ่นไม่เดือดหายแห่งเหือดไก่กา คือฝูงคนปาลาอยาบจะได้คำขากันตายได้ชิปหายไว้วอดบ่อเหลือรอดคนได้คนฝูงไปอยู่ป่าก่อจักกว่าขึ้นมาสูเกหาตีเก่าคานิงเหล่าเล็งหันก่อจากปะกันม้วนหมูตั้งตอนอยู่ตามทาบ่อมัวดำก็อยาเว้นจากบาปจังไรทัศนั่นไปไปนาคนลุ่มฟ้ า, ายิงใจ อายุจักหลายยิงขึ้นตั้งแต่พื้นสิบ ป, ปีจำเรินดีหลายแหลอายุป่อแม่สิบาษาลูกเกิดมาป้ายนาอายุลูกกว่าถึงเาวส <c oughs> ืบแนวเน่าต่อเต้าถึงร้อยขวบเขาวาซาเขา้าบ่ละละภาคเว้นเสียจากตั้งบุญบุญจักหนุนต่อเต้าฮอายุลูกเต้ายืนหลาย สองร้อยปีปายเป็นขนาดบ่อได้กาดกะไก่ลําดับไปจะใจต่อเต้าใด้ปันปีเกิดลูกมีแถมเหล่าอายุยืนกว่าเก่าสองพันลำดับกันจะใจต่อเต้าได้มื่นว่าซาเขาบอลาละผากเว้นเสียจากกองทำบุญจักนําส่งยู่เฮตั้งอยู่เมือนนานมีลูกลานไปนา อัยูยืนกว่าสองสามลำดับตามบ่อขาดถึงขนาดแสนปียังจำเริอนดียิ่งโยดถึงตื้อกอดอะสรงไข่บ่อยาเจ๊งและนาอันว่าคนยิงใจโลกไตอานยูใดอะส่งไข่และมีเมื่อดดดังอันยำนั่นนามาไขคนโลกไตยิงใจบ่อหันคนตายคนเท่า เหตุอยุมาเต้านำนาก็จักลาซาพระมาดบ่คืดขวาตังทำอนุนำแต่ก่อนจักสันผ่นลงมาก้อยใกล้ก้เตือน้อยก้อยกาดก้อยหดไหลจากส่งไข่ยืนโยดลงเป็นตื้อกดวาสาถอยลงมาจ้าใจลงรอดไข่แสนปีคนโลกีมวลหมูยังบ่รู้คันิ่งไหน ยังมีใจพรามา์อายุก็กาดลงมาเก้าหมื่นว่าศาสแถมเราบ่อเบื่อเก่าสันดีลงมาแปดมืนปีเป็นขั้นตั้งอยู่หันเป็นธารก็มีหันแล้วนะ <c oughs> คนจุมปูหลอกใจมีอายุได้แปดหมื่นปีญาตาและมีเมื่อไดดังอันตาตาในกาลยามนั้นคนจุมปูมวนหมู่กาะจักอยู่เจ้านหาโจรมานบ่ได้ฝนตกไข่เติงตันสิบห้าวันและเตื่อบ้านเมืองเรื่องเรือเรื่องไรติดกันไปเป็นตาแม่ไกละเติงตันจุมพวงปั่นดอกไม้ มีพ่อขวายลายสีกี่บ้านดีคำเจ้าหอมตัวเต้าอาณนาะแผ่นป้าสุดทา้าโลกลาเลียนดังนากองใจสายน้ำไหลขึ้นลลองอยู่รวมห้องเดียวกันฝ่ายหนึ่งพันไหลหลองไปรอต้องแดนไกลฝ่ายหนึ่งไหลปลอขึ้นหันรอดปืน้นดินทรายจุ่มคนใจน้อยใหญ่บ่อหอนได้กะตำการ เขาเป็นสารวิเศษเกิดไข่เขตแดนดินของกวนกินกวรใจมีบ่อไรนำนาหากเกิดมาลายลาตามใจหากคดิ่งจุมคนยิงน้อยใหญ่บ่อหอนใดต่อตำผ้าแร่รำสอดแสีวงามเลิดแล้วสุขุมานเกิดสาธาต้ตนไ ม, ม่มีจื่อไห ว, ว่ากปพะรุขหา <c oughs> ตั้งของหน้าหนาลายหลากตามใจหากพระทรงย่อมตกลงตีไก่สมใจไฟจูอันอันก็มีหันและนาคนเกิดมาปางนั่นใส่สะเวยของติบไขหญิงจาจรูปงามไหลองอาจพันนาิลาจูคนคพับสะกลโลกไตบ่มีคนใบมองวิน คนมือตีนปูดขาดคนเป็นผาญาตหูตันคนตาหันคนตาบ่าหันมืดบอดคนหลังกอดหลังคอคนตีนมืองอพังรายยกใหญ่ใหญ่เสวมต่างคนอาธรรมบาบคอนก็บ่อหอนจักมีภัพป้าทาพีแผ่นลาคนทั่ว น, นายิิงใจ โซกบ้านไลยจีนโซกับด้วยกูผัยมันยิ่งบ่อพันลาภาคเล่นจู้จากผ่อตนใจบ่อหนอิ่มกายบ่อรู้นายเมียแป้งคำเจ้าแฝงอยู่ไกลบ่อร่อนไมเครื่องกา คนนำนาหลายหลากบ่อได้ปากจะเทียงบ่มีเสียงหาเท้าด้วยเขตดาวแดนนาเหตุมนุษย์ศาสโน่ใหญ่สะเว่ยของติดไขยิงใจสักตั้งหลายแต่เกขาเป็นคาเสักเก่าเดิมมาจากมีเมตตามวลหมู่พ้อหนาอยู่จอมกันราชสี่พันป่ากว่างกับหมูจ้างปังไป ปงป้อนไล่ไต่เตากับงูเห่าดงดอนแมวและหนูนอนเป็นกู่นกเก้าอยู่กับกาคุดนำนาบ่วพากอยู่จอมนาแปงปันงูเล้งหันเขียดน้อยใจอ้วงหอยปีญญาสัตนาดาน้อยใหญ่มีไหมที่ไข้สะเมื่อกันทุกคืนวันจาใจบ่เดือดไหม่เครื่องกาแย้มนั่นนามารอดกาและจอดเตืองตัน ข้าจากผันไปเกิดในเมืองอันผาเสดจุมพูเป็นซ้มปัญญูผ่านแถวนั่งแตนแก้วเตศนานำสัตตามวลบู่เข้าไปสู่เดรปานบ่อยาจักและนาอริญญาเมตไตรโพธิสัวเจ้าจากวันนาล่าโอยังปารามีบัวระมวลดีควบัยอันตนได้ปั่มปิงมา จิงจักจ่าตันเหล่าสึงมหาเถระเจ้าเตป้ามาไลว่าข้าแด่เจ้าสินใสพองแผวอันว่าป่าระมีแก้วเฉียงขานสามสิบพักการคบไ ข, ข่ขานี่ได้ปั่มเป็นมามึนนำนาลายหลากสิบหกอสองไขรหากเป็นไมาย ยังมิป่ายมากเต้าแสนมหากรับเหล่าเป็นผ้ามานได้เฮือตานจุสิ่งล้วนทวนหญิงนำนาเหตุนั้นนเมื่อคาลงหลมฟ้าเป็นทซั์ปัญญุคนจุ่มปูลุมเท่าจริงมากเต้าลวงลายย้ำจักถ่ายยกยืนค่าใจจืนยินดี เจ็ดคัดสีสะอาดจริงภะษาเตตานย้อนสมปานนั่นใจเมื่อข้าได้เป็นสัพปัญญูคนจุ่มปูน้อยใหญ่บ่อนอยากไรขี่มองสมบัตินงหลายลากามใจหากผาธนาข้ามีศรัทธาจมจื่นยามจากยืนย่อตานยังโพชนาหารเสื้อผ้า ห้อมทวนนาหมูปจัจจัยขาคัดสีไข่อาบน้ำไข่เสียงซ้ำอินทีแป่งใจดีพองแผวดาแต่งแล้วอ ย, าายอตาย้อนสมปานนั่นโสดเมื่อข้าเป็นพระโพธโลกาคุณนานาน้อยใหญ่จริงงามไข่ยิงใจา ย, ยาจกกายมาหลอดขาย่อมตอดเตตาน ยังโพจนาหานเขานํำวาตถูพัมตา ม, มีบอกไขาวตีจุลลายบ่ว่ไาราสามานด้วยสมปานนั่นใสเมื่อข้าได้ทัดพระยาบอมีคนปาลงางเห่าใบหูรักไข่ยิงใจเปลืออันแล่ะนาะ แถมภาการดึงใส่ขานี่ใดฝังทาด้วยคบยำบ่ผ่อนทั้งแต่ก่อนเมื่อนา น, นอันหนึ่งกันค้นผ่านมาสู่ออกบางอู่ จ, จากไขคอของใดน้อยใหญ่ข้าบอกไว้ตานไป แฝงใจใส่จีนจ้อยตานตามถอยขนผ่านด้วยสมปานนั่นใส่เมื่อข้าได้เป็นทรับปันญยูคนจุมปูไข่จอดบอมีคนตาบอดหูตันข้าใครปันบอกเก่าเออหูเขาอันใดขอเจ้าสินใสบุญกว่างน้ำไปเก่าวอ้างไข่จากืออมนุษยสาน้อยใหญ่หูแจ้งไขยิงใจแดเต้อ <c oughs> ว่าอันแล้วเจาว้าตนแก้วนอปุ ธ, ธาก็ยอ่อหัตถาภิวาทยังพระธาตุลาะมณะีปททักสินดีสามตังแล้วก็สั่งอำลายังพระมหาเถระเจ้าตนบ่อเศรฐารงยานแล้วป่าปริวานทวนนาสเ ด, ดสูจันฝาตุสิดา อันเป็นต่โยแห่งตนก็มีหันแลนะเ <c oughs> ทโรอันว่าพระมหาทะะเทราจ้าก็น้อมเก่าอันจุลินยังพระจุลามณีมหาธาตุแล้วโอกาสอำลา ยังคุณอินตาเจ้าฟ้ารีบอกนาขึ้นห่นมาเมือง้นลุมไตามารอดใดเรียวไวแล้วก็ไครบอกกาวฮือเท่าเท่ายินใจมีหลวงลายบ่อน้อยรู้ที่ถอยตามกำอันหนอคุณทำบนกวางหากกาวอ่างไขรปั่นเขาาปะกันจมจื่นปีติตืต่นยินดี กันเดือนปีมารอดบ่อละตอดปังลังย่อมตั้งฟังบอกขาดยังมะหาจาดเรื่องไรคือเวสันตระใสบ่อเศร้าตั้งหนุ่มเทายิ่งใจกันจูติตายกาผาาละละจากเมือง้นก็อเอาตนไปเกิดในจั้นฝ้าเลิดไปบนจูคน้นก็อมีฮันและนะ โสตาลิตโตส่วนใจตุง้งคาตะหนุ่มเนาเลี้ยงแม่เท่ามันดามีศรัทธาหลายแหล่เติ้ยวมาแต่โบครณีน้ำดอกนีรูบนดีแปดดอกพงกี้ออกบานงามเตี้ยวมาตามตั้งใจได้ปะใสเจียงจีตนท้ารงศิลดีบ่อเศร้า ตอมหาเถระเจ้าเตป้ามาลลยมันมีใจจมื่นยกดอกยืนยอตาด้วยสมปานนั่นใสจูช่วยไก่ตวยตันกันดับพันความดาก่อไปเกิดจันฝ้าตาว่าติ่งสามีนางกัญญาลายลากแสนหนึ่งหากเป็นปริวาน สุกสำรานบ่กขาดในผาสาดอกนิลุบลนกันย่ายตนเตียวต้องไปสู่ห้องแดนใดดอกงามใสหอมหือนพดมารับปื้นป่าตากินกันท่าดอกไม้ทลรไผ่ตาวะติงสาคุณอินตาหยดเงาตนภาพดาวคงสวรรค์ได้เลิ้งหันดูหลากจริงออกปากจะทม ว่าดอกนี้ลูบนงามบอศเ้ามีมาเต้านำนาพดออกมาบอกขาดตัวรับบาตรยำไปหอมเอาใจบอกผ่อนแต่จาตกฟังหลังกะตำบุญสังมากวางจุงเกาวอ้างไข่ปันเฮได้หันแจ้งทีบอมีตีสงสัยเตว่าพุทไข่บอกเกาอฮหูข่าวจูนอัน หุนสะวันโฮแลวใจฟองแผวยินดีปีติมีละำหมอกจริงเอาดอกนิลิบนแปลตามหนโลกไต้ือหากได้บดอกบัวเขียวสะเด็ดเร็วไหววาดไปผู้จ้าพระธาตุยูามันี้ก็มีหันและนะ โสเตวาพุทธสอนเตวาพุทตนองอาจอยู่ภาศาเียงขานสุขสำราญคำเจ้าทะาลาบต่อเต้ากาลาบนีและนาตุมเหภาวันตาตันตั้งลายมวลหมูอันนั่งอยู่นันนำจุงจักจำจอไว เป็นไม่ไตส่องนำตังเตี้ยวจุงรีเปรีวก่อสร้างนาบุญกวางสมปานคือฐานจะใจรักษาสินไว้กับตัวอย่าเมามัเ ม, มือดเศราตัวคำเจ้าภาวนาบุญจักป่าือได้สุขพ้อไข่ซ้ า, าพักการมีพระนิพานเป็นตีแล้ว ในสำนักพระตนแก้วอริยเมตตตนเรื่องไรล่ำเลิดอันจักมาเกิดไปลุ้นบอ่อยาจาักแหลนมานทธทีิตังขีญาสังวันณ น, นาวิเศษจาห้องเหตุตุติยามาไลผูกปายกอบังกมสมร็ตเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล